อภินโยยธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมที่อภินยธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งในหมายถึงรู้ยิ่งด้วยสภาวะนะเข้าไปรู้ยิ่งสภาวะคำว่ารู้สภาวะนั้นรู้พร้อมทั้งปัจจัยของสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่เฉพาะสักแต่ว่าอย่างรู้อันนั้นเฉยๆโดยที่ไม่รู้ปัจจัยนั้นคำว่าอย่างรู้สภาวะเนี่ยเลยไปถึงรู้ปัจจัยด้วยนั้น อภินญญาอนั้นจ ะ, จะกล่าวตามปริญญาสามก็คือยาตะปริญญาอภินญญาธรรมทั้งหลายถ้าแสดงตามปริยายทัศุตรสูตรเนี่ยนะอย่างในหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดเนี่ยนะเป็นการแสดงตามทัศุตรสูตรคืออภินญญาธรรมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามนะในเอกสารหน้าสามอ่ะนะ ทำที่ควรรู้ยิ่งหน้ า, าทมที่ควรรู้ยิ่งอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าหกเจแปดเก้าสิบนี่ยนะอันนี้เป็นการยกท่สุดตระสูตรมาทั้งรุ่นเลยหัวข้อว่าด้วยอภินยยัยะอภินยยัยยธรรมเพราะทะ่าสุตระสรู้เนี่ยมีอยู่สิบธรรมะธรรมะสิบแสดงอยู่สิบครั้งเนี่ยนะสิบหัวข้อใหญ่แสดงอยู่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นก็จะมีพวก ทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งทำกรหานะภาคยะทิติภาคยะอันะวิเศษาภาคยะนิเพะนิเพทภาคยะไม่มีทำที่ควรทําให้บังเกิดทำที่มีอุปการะมากอันนะทำที่แทงตลอดได้ยากอันนในมีอยู่สิบหัวข้อใหญ่ในท่าสุตระสูตร ที่นี้นายอภินยยธรรมภาษาริบุตรท่านก็ยกจากท่าสูตรตะลูสูตรมาให้ดูเป็นตัวอย่างท่าสูตรตะสูตรเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในทีขณิกายสูตรสุดท้ายเนี่ยในทีขณิกายเนี่ยเป็นนิกายที่เป็นกล่าวถึงสูตรยาวๆทั้งหมดเลยมีอยู่ถ้าเป็นฉบับเราที่ใช้อยู่มีอยู่หกเล่มเล่มที่สิบเอ็ดถึงเล่มที่สิบหกท่าสูตรตะลูสูตรอยู่เล่มที่ 16, สิบหกสูตรสุดท้าย ต่อจากสังคีติสูตรเนี่ยนะสังคีติสูตรเสร็จแล้วก็สูตรสุดท้ายคือท่าสุตระสูตรทีนี้ก็ยกมาว่าปัญญาอันเป็นเครื่องทรงกรรมธรรมที่ได้ฟังมาแล้วคือเป็นเครื่องรู้ชัดซึ่งธรรมที่ได้สดับมาแล้วนั้นว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นสุตตมยายานถามว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถามเพื่อจะตอบเองนั่นแหละแต่ก็เป็นการตอบตามท่าสุตระสูตรก่อนว่าธรรมอย่างหนึ่งควรรู้ยิ่งคือ ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารทำสองที่ควรรู้ยิ่งคือท่าสองทำสามที่ควรรู้ยิ่งคือท่าสามทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจสี่ทำห้าที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตาญตนะห้าทำหที่ควรรู้ยิ่งคืออนุตริยาหกธรรมะเจ็ดที่ควรรู้ยิ่งคือนิทัสวัตถุเจ็ดธรรมแดที่ควรรู้ยิ่งคืออภิพาญตนะแปด ทำเก้าที่ควรรู้ยิ่งคืออนุปุภพวิหารเก้าทำสิบที่ควรรู้ยิ่งคือนิชระวัตถุสิบท่านธรรมะทั้งสิบหัวข้อเนี่ยนะไล่ทั้ง 1, 2, 3, 4, อันหนึ่งสองสามสี่ห้าอนะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสมบวกอย่างนี้เพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงบวกสิบนี่ได้กี่ข้อห้าสิบห้าใช่ไหมอ่านะหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบสองบวกแปดก็เป็นสิบยี่สิบแล้วใช่ไหม เจ็ดบวกสามก็สิบแล้วก็หกบวกสี่ก็ก็เหลือเท่าไหร <5 S 1> แ่แล้วแล้วก็ห้าตรงกลางเท่าไหร่ห้าสิบห้ามาดูอัตกถาอธิบายเลยนะในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดมาดูการขยายธรรมตามปริยายแห่งท่าสุตระสูตก่อนคำแรกเลยนะสัพเพสัตตาอาหารกิทธิกา สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารบรรดาคำนั้นเนี่ยนะคำแรกว่าสัพเพสัตตาเนี่ยสัตว์ทั้งปวงในอภินญญยนิเทศเนี่ยหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในภพทั้งปวงก็สัตว์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่ามีอยู่โดยโวหารใช่ัหมสัตว์นี่มีอยู่โดยโวหารถ้าโดยสภาวะจริงก็คืออะไรก็คือภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญ ญ, ญาณทิติเจ็ดสัตววาเก้านั่นแหละ โอหารว่าเป็นสัตว์อาศัยสิ่งเหล่านั้นขึ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าพบตรงนี้ถ้าก็ยกเช่นกามมาพรูปประพบอรูปประพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวะสัญญานาสัญญาภพเอกโวการพบจตัวการพบและอัญจโวการพบในหน้าหนึ่งเจ็ดิบแปดบรรทัดล่างสุดเลยนะกามมาพบรูปประพบอรูปประพบ การมาพบหมายถึงนรกจนถึงปรินิมิตตาวัสวัตดีรูปประพบหมายถึงรูปประพรมทั้งหมดอรูปประพบก็หมายถึงอารูปประพบทั้งหมดสัญญาพบหมายถึงพบที่มีสัญญาเว้นอสัญญสัตว์กับเนวสัญญาเรียกว่าสัญญาภพบอสัญญาสัตว์เรียกว่าอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญายตนะเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาพเอกโวการพก็หมายถึงอสัญญสัตตาสัตว์นั่นแหละ จตวการภพหมายถึงอรูปประพรมทั้งหมดปัญจโวการภพหมายถึงการมาพบกับรูปประพรเรียกว่าปัญจโวการภพเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์สัตว์ทั้งปวงหมายถึงภพทั้งปวงนั่นเองสัตวทั้งปวงในภพทั้งปวงอย่าลืมว่าสัตว์นั้นมีอยู่โดยโวหารไม่ได้ใช่โดยสภาวะแต่ที่ใช้คําว่าสัตว์เพราะว่าเป็นผู้คล้องในขันท่าใช่ไหมก็คล้องในรูปเวทนาสัญญาสัญผลวิญ ญ, ญาณ เนื่องจากยังคล่องอยู่เลยเรียกว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะเป็นสัตว์คำว่าอาหารับิติกาอาหาระก็คือปัจจัยเนี่ยนะทิติก็คือดำรงอยู่แปลว่ามีอาหารเป็นที่ตั้งทิติแปลว่าที่ตั้งก็ได้อาหารก็คือปัจจัยความว่าการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะอาหารจึงชื่อว่าอาหารับิติกามีอาหารเป็นที่ตั้งทุกอย่างดารงอยู่ด้วยอาหาร ก็คําว่าถิติการดํารงอยู่นี้ท่านประสงค์เอาว่าความมีอยู่ในขณะของตนอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปัจจุบรันรธรรมทั้งหลายปัจจุบรันรธรรมทั้งหลายผลเนี่ยดํารงอยู่ขณะที่มันดํารงอยู่นะเช่นรูปขันเนี่ยขณะที่ดํารงอยู่อ่ะเรียกว่าถิติทีนี้มันดํารงอยู่ด้วยอะไรด้วยอาหารคือปัจจัยเนี่นะ เชื่อว่าอาหารเพราะเป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งละทั้งปวงเป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นธรรมะควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะแปลรวมๆ ว, ว่าทำอย่างหนึ่งที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารคันรู้ปัจจัยแล้วก็เป็นอันรู้ปัจจยุบันธรรมะอันเกิดแต่ปัจจัยเพราะปัจจัยและปัจจยุบันทั้งสองนั้นเท่ง ความอาศัยกันและกันยาตะปริญญาเป็นอันท่านกล่าวแล้วด้วยคํานี้เพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารเรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยแสดงเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นว่านรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ ย, ยดำรงอยู่ด้วยอาหารอาหารที่ทําให้ดํารงอยู่ในนรกเนี่ยชั่วพันปีหมืน่นปีแสนปีเป็นอเนกเนี่ยนะมันอยู่ด้วยอาหารคืออะไร ก็คือกรรมอ่ะนะกรรมเนี่ยมันหล่อเลี้ยงไว้กรรมเนี่ยมันเลี้ยงให้อยู่ในนรกกี่ปีล่ะแล้วเดรชานนี่ก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยของเดรชนมนุษย์ก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารของมนุษย์เทวดาก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารของเทวดาพรหมก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารของพรหมอรูปประพรหมก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารของอรูปพรหมเพราะฉะนั้นคําว่าสัพเพสัตตาอาหารทิติกาหมายถึงว่าสังขารในภพสามดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทั้งหมดเลยเนีนะ ก็อ ม, อมความไว้หมดเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ขาดอาหารแม้ขณะเดียวก็อยู่ไม่ได้เช่นว่าถ้าขาดขาดกับผลิงกอาหารเนี่ยนะบางอย่างก็แย่ yeah. ใช่ไหมเพราะว่าในในร่างกายของเราเนี่ยดารงอยู่ด้วยกับผลิงกระหารคําว่ากับผลิงกอาหารเนี่ยเร่าธาตุอาหารทุกชนิดที่เรียกว่ารับเอามาจากข้างนอกอนันนะรวมทั้งยาทาด้วย ก็เชื่อว่ารวมทั้งยาทาด้วยเหมือนกันที่นี้มีคําถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นคําใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาสัญญาสตาเทวาคืออสัญญาัตตาพรหมเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีอาหารไม่มีผัสสะดังนี้เป็นต้นคํานั้นจะไม่ผิดไปหรือนะท่านบอกว่าอา้าวทุกพววทุกพบมันดํารงอยู่ด้วยอาหารไม่ใช่หรืออสัญญสัตว์กินอะไรล่ะอสัญญาสัตว์มีผัสสะมี เจตนามีวิญญาณที่ไหนแล้วยังบอกว่าอสรรยศาส์ดารงอยู่ด้วยอาหารมันไม่ผิดหรอือตอบว่าคําที่ท่านกล่าวไว้นั้นอ่ะไม่ผิดเพราะชานเป็นอาหารของอสรรสรรยศ ต, รตาเทวาเหล่านั้นถามว่าถึงแม้เป็นอย่างนั้นคํานี้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายอาหารทั้งหลายสี่เหล่านี้เพื่อความดํารงอยู่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้ หาที่เกิดคือสัมภเวสีเนี่ยนะอาหารสีเป็นชนยัยกะพลิงกะราหานอาหารคือคํำข้าวเป็นอาหารหยาบหรือละเอียดภ า, าาภาษาอาหารเนี่ยนะเป็นที่สองมนุสันเจตนาอาหารเป็นที่สามวิญญาณอาหารเป็นที่สี่ดังนี้ก็ผิดเอางั้นบอกว่าอาสญญานยศัสตร์ดำรงอยู่ด้วยอาหารเอาแล้ว อาหารคำว่าอาหารสีมันก็ผิดสิเพราะว่าอสัญญาสัตว์ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยข้อใดข้อหนึ่งในสี่อย่างนี้เลยใช่ไหมก็ตอบว่าถึงแม้คำนั้นก็ไม่ผิดเพราะในพระสูตรตรัสไว้โดยนิ ป, ปริยายานะคือในสูตรนั้นอ่ะนะเป็นการแสดงแบบตรงตรงตรงๆงว่าธรรมทั้งหลายมีอาหารเป็นลักษณะชื่อว่าอาหารแต่ที่นี้ตรัสโดยอ้อมว่าปัจจัยชื่อว่าอาหาร อย่างอาหารตรงๆเลยคือกับพลินกระหารภาษาหารมโนสัรเจตนาหารวิญญาณอาหารอันนั้นเป็นอาหารตรงๆเลยนะกับผลินกราหานนำมาซึ่งอะไรอวินิโพลครกาปภาษาอาหานนำมาซึ่งเวทนาสามมโนสัรเจตนาหานนำมาซึ่งพบสามวิญญาณอาหารนำมาซึ่งนามรูปตรงนั้นเนี่ยเป็นคําพูดแบบตรงๆไม่อ้อมอ่ะ แต่นี่สัพเทสตาหารติทิกานี้เป็นการพูดแบบอ้อมนะนะปริยายนี่แปลว่าพูดแบบอ้อมเพราะสังคตะธรรมทั้งปวงได้ปัจจัยย่อมควรก็ปัจจัยย่อมยังผลใดๆให้เกิดขึ้นเชื่อว่าย่อมนำมาซึ่งผลนั้นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอาหารเพราะนั้นคําว่าอาหารก็คือคําว่าปัจจัยนั่นแหละปัจจัยอาหารสมุทัยปะภาวะสัมภวะเนี่ยนะ พวกนี้เป็นชื่อของคำว่าปัจจัยหรืออาหารนิทานคือสิ่งเดียวกันเพราะคำว่าอาหารเนี่ยกว้างกว้างนะอย่างเราเรียนปทัทฐานาหาระเมื่อเช้าเนี่ยนะก็คือเรียนเรื่องอาหารอาหา ร, อาหารของวัดตะกกับอาหารของวิวัตในในปทัทฐานาหาระในคัมภีร์เนติ ป, ปกรณ์แม้กระทั่งอาหารในอวิชชาสูตรกับใน อวิชาสูตรกับตันหาสูตรอังคุตระนิการทสกัณฐ์นิบาศนะนะที่กล่าวว่าดูความพิสูจทั้งหลายแม้อวิชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารดูความพิสูจทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาควรกล่าวว่านิวรห้าเป็นอาหารของอวิชาดูความพิสูจทั้งหลายแม้นิวรห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารดูความพิสูจนทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรห้าอะไร ทูตเจริญสามทูตเจริญสามเป็นอาหารของนิวรห้าแล้วอะไรเป็นอาหารของทุตเจริญสามความไม่สำรวมอินซีความไม่สำรวมอินซีก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินซีไม่มีสติสัมปชัญญะนะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารอะไรล่ะเป็นอาหารอโยนิสมนัสิการเป็นอาหารแล้วอะไรเป็นอาหารของอโยนิสมนสิการ ก็ความไม่มีศรัทธานั่นแหละอใครที่โยนิโสไม่ได้นะก็ถูกแล้วลนะเพราะเขาไม่มีศรัทธาแล้วศรัทธาก็มีอาหารนะอะไรเป็นอาหารของศ <ส ande. S 1> รัทธาการฟังที่บริบูรณ์นะการฟังที่บริบูรณ์ก็มีอาหารอาหารนั้นก็คือการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์เป็นอาหารของการฟังธรรมให้ที่บริบูรณ์เอ การไม่คบสัตว์บุรุษให้บริบูรณ์ก็ยังการไม่ฟังสัตย์ธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตยธรรมที่บริบูรณ์ก็ไม่ยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่ไม่บริบูรณ์ย่อมยังอโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์อโยมนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ก็ยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ก็ทําให้ไม่สํารวมอินทรีย์ทําไม่สํารวมอินทรีย์ก็ทําให้เป็นอาหารของ ทูตเจริญสามทูจริญสามก็เป็นอาหารของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็เป็นอาหารของอวิชชาอาวิชชาก็เป็นอาหารของภวะตันหาเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นอาหารไปอย่างนี้หรือเป็นปัจจัยอย่างนี้แหละ